จิตเราถ้าไปกดมันมากไม่มันคิดอะไรเนี่ยมันจะปวดหัวก็อย่าไปกดมันเลยเรื่องรู้เฉยๆมันคิดก็ช่างมันปล่อยมันคิดไปบ้างคนมันยังไม่ตายมันก็คิดไปนะคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเหมือนควายนี่แหละจิตเราเหมือนหัวเมืนอควายเวลามาวิ่งไปไกลเนี่ยมันแรงอยู่ก็จะไปดึงมันแรงปล่อยมันทีละน้อยละน้อยค่อยๆดึงมันกลับมา ดึงเบาๆพอมันอยู่ตัวแล้วค่อยมัดไว้ฝึกหัดมันน่ะเดี๋ยวมันค่อยเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกแล้วพู้บวชใหม่มาอยู่ในวัดสมานั้นเนี่ยทั้งนี้เขาเรียกว่าครูบาถ้าบวชไปห้าปีนี่เขาเรียกว่าอาจารย์ บางคนไม่เข้าใจนะครูบานั่นครูบานี่ครูบาอันหนึ่งอาจารย์นันหนึ่งถ้าบวชนา น, านอายุสิบปีขึ้นไปเขาเรียกว่าเถรเ ะ, ะพระเถระเทระแปลว่าผู้เท่าผู้เท่าอย่างโลกตาในี่สามสิบปีเนี่ยมหาเถระมันเท่าแล้วบวชปีสองศูนย์ สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าูนย์ห้าสี่แล้วเนี่ยมันหลายปีเข้าไปแล้วรายุมากสังขารสุดโทมถามบรกภูมิใจมาได้เกิดมานี้ได้สอนคนเียไม่ซื่ออยู่เป็นแตส่สร้างซําเมื่อในย่นั่นกับว่าวยากบักนีกับวา่าง่าย ผู้ันเขาเหตุดได้คูนี้เห็ุบได้นะแต่ถือว่าเป็นเรื่องของสัตวนะ์น่ะสัตว์โลกก็เป็นนี้แหละสัพพะสัตว์ถ้าเรายังเบียนไหวใจเกิดขึ้อย่งมันแวบไปแวบมาอยู่ในความคิดในอารมณ์อางนี้นะเขรียกว่าสัตว์แต่ถ้ามันหยุดเวียนไหวนะเขาเรียกว่าพระจิตนะ่ะถ้ามันยัเข้าไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี่นะเขาเรียกว่าสัตว์นั้นจุตูวปฏตญาณเห็นการเวียนไหวได้จุติอุบัติของสัตว์เห็นไหม พอเห็นตัวนั้นแล้วมันจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดจิตเนี่ยจะแจ่มแจ้งขึ้นมาวันที่สามเนี่ยบางคนจะเริ่มวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยวันที่หนึ่งไม่เป็นไรเพราะศรัทธาดีวันที่สองจะเริ่มปวดหัวปวดหัวแต่ถ้าวันที่สามที่สี่เนี่ยจะเริ่มเจ็บดากเนาะเจ็บดากที่บ ย่งางหลายนะนั่งขี่ว่าอยากได้นะลุกขึ้นบอยเจ็บไปเบิดว่าในขีลุกกึบอว ไ, ได้ทุเถอะก็ได้เจ็บไปเบิดนะแ่ไม่ใช่ที่เจ็บเบิดไปต่อไปหัวนี่ทั้งๆเนี่คอดยังจะลุดออกตกปลุกรงดินพบางคนมาล่าลงตโอ้ยอยากเมื่อแล้วเจ็บนั่นจะเีโอ้ไม่ใช่ที่ข้อขาดออกเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยมาว่ธาธรรมดานี่จะวัตถกิเลสขาดจะไพญาณนันอีหละจะไปญาณจะไปญาณ ผลมันเมื่อยไหลยับซ้อนก็่ม่จะไหวแล้วมันจะมีการตายเกิดขึ้นอ๋อสู้แบบท่านบดายเบิ้งหน้ายกเรามาเองอ้าเราซื้นขึ้นได้บ้างเนี่ยไปไขขึ้นมืเถอะเงาคือไกลตกหํามาสองหมื่นแล้วมึงนี่ไขขึ้นมันต้องไขไปหนาไม่มนุษย์แม่เห็ียบบยาวบะเศร้าเราเห็ีบบยาวบะเศร้าเด้๋ยวสางจังหวะอยู่บุยาวบะเศรอบก็ไขกันเนาะแต่คนที่ไม่ค่อยสร้างจังหวะอะไรมันมีแต่ความคิดเนี่ยมันจะหนักไปเรื่อยๆนเนี่ย หนักได้เลยเมื่อเช้านี้ก็เห็นตายไปศพหนึ่งเหรอนะสองครามยังไม่จบกลายเป็นศพแล้ ว, ไ, วไหวไมมอ่านอาบน้ำเย็นนี่ไหวไหมอยากอาบน้ำอุ่นไหมฮึรอนตายจะแจกให้คนละแก้วน้ำอุ่นมีนะ มันต้องมีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาได้พวกนี้มีนะมีน้ำบุญแต่ว่าก็อย่างว่าละอดทนเน้วเถอะรีบอาบไปไว้จ๊กจักจักจกไปเลยแล้นะอพอเป็นพิธีกลับไปอาบสวยอยู่บ้านทันแหละมาที่นี่ก็อาบธรรมดาเนี่ยแลพอทนได้มีโยมคนหนึ่งเนี่ยบริษัทอันเนี่ยรงตาไปซื้อของไม่รู้ยังไงเป็นผู้หญิงนะ เขเกิดเลื่อมใสดวงตาขึ้นมาเลื่อมใสคุยด้วยเล็กๆน้อยๆอยเลื่อมใสหลวงพอบะมีตัวดีมากในบอ่อเขาทำเอา้าตัวบอ๊อกให้ดีว่าเป็นโรคเบาหวานบอกมันบอ่ออันแบบซื้อเลขซื้ออย่างในหลวงพอบะมี่แจกในวันลรงตกากกเลยจกเลยหน่หยลอยหนึ่งน้าไปซื้อเอาข้าวเดียวค้นขายลอตเตอรี่กับขี่จักรยานมาโหลดเนาะ นั่งขายเครื่องจักรยานบริภานั่งเก้าอี้นะ <c oughs> อยากได้ตั้งแต่เอา้า <c oughs> เขาว่าเขาไม่เคยเห็นพระเอาเงินไหนเขาซื้อลอตเตอรี่โอ้ยกูกับลดน้ำนมนต์มากมึงเศร้านี้เขประมาณได้ร้อยเดียวนึะมึงเอาสักว่า <c oughs> ขนาดพระรดน้ามนต์เป่าจนกระทั่งปากโพงยังมาของเงินไปซื้อลอตเตอรี่ก็ให้มันไปเ <c oughs> ขาเลยคิดว่าออพระใจดีแบบนี้ก็มีเนาะ เรคุยไปคุมาแลวตาก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเราคุยเรื่องปฏิบททัติธรรมอยามึงบอไปปฏิบัติธรรมนั่งเถอะวะท่าตายู่วัดน์ใดวัดสมณัดมันก็เลยเอาของมาส่งมันก็มาเบิง้งเรื่องเบิ้งนี้แล้วมาคุยน้ำลงฐานลงตาเอาจริงหรือบานเนี่เพราะว่ารถเกิดเลื่อมใสกลับไปล่าผู้จัดการขอมาปฏิบททัติธรรมผู้จัดการว่าไม่ได้พนะจะส่งไปวัดเวฬุวันสิงห์บุรีนั่นนะ่ะบริษัทเขาส่งไม่ผลเบิดมันบอไป เอาไปมากคืออยากปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งต่อมาล่าออกเลยล่าออกจากเป็นรองผู้จัดการไหมมากปฏิบัติธรรมไหมอยากปฏิบัติธรรมหลายวันว่าได้ยินเขาว่าเมด่ทุกเมื่อทุกนี่เหลื่อมใสขึ้นมาหลดว่าปฏิบัติธรรมดับทุกนี่อ่องบ่เคยได้ยินเน่ะแต่เกิดมาในลาว้าผู้สาวจบบัญซี่เนาะ แค่ได้ยินเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ยินเข้ามาปฏิบัติธรรมดับทุกข์เนี่ยเขาก็เลื่อมใสกลับไปอยู่บ้านมันก็คิดอยู่ในนั้นมันว่าของเข้านี่ว่าดับทุกข์มันจักมือแล้วเนี่ยมีเตพอยากเมือ่อเขามีแตพุยที่มาแต่เขามิแต่สิเมือ่อหนาคิดเนี่เวลามาปฏิบัติธรรมเขาขเขาก็เข้าใจนะไปแล้วมันเลยไปมันออกแต่ว่ามันไปสอบธนาคาร อ ย, อย่างนี้ทีงยบมันว่าปฏิบัติทำไมอยู่แต่แม่แม่เนะ่ยไม่อยากให้มาแม่เนี่ยกลัวมันบวดบ้างั้นกลัวมันปวดห่วงแม่มาก็มาดูอยู่เรื่อยดูอยู่เรื่ลูกถ้าไม่ไหวกลับนะอยู่เลยมือหนึ่งแม่แม่เข้ามารลงตาเขาเลยเดา แ, แม่ยั้งว่าไม่เยี่ยมบางลูกนะเอามันบริป่วยได้ว่า ไม่เยี่ยมบ้างยังเมื่อโรดบอกให้กลับไปเลยแม่เป็นครูไงว่าจะเป็นยังไงมันบวมเอนตีป่วยขน้อยญาติลุงตาสอนมันเกิดนู่แจ้งมันจะบวชพ่ะนะอเ อ, <c oughs> เ, อเรื่องปัญญาของมันนะมันบอเกี่ยวกับข้าศิสอนบวชหรือบ่บวชได้ในเนี่ยปัญญาเขามีแค่ไหนเขาก็เอาแค่นั้นแหละบ่ต้องห่วงดอกนะว่ต้องห่วงเขาดอก มันบวบวดไงปันนันดอกมันยังสิ ม, มื่อย อ, ยอยู่เลยมาอยู่แปดวันเก้าวันคนแบบนั้นก็มีนะพ่อแม่แบบนี้ก็มีเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยเกิดมานี่ยอยากให้ลูกพ้นทุกข์แต่พอรู้ลูกจะไปทางรัดหน่อยคือฝึกสติดับทุกข์ไปเนี่ยก็กลัวลูกครัะแต่ทิ้งพ่อทิ้งแม่เห็นไหมมันจะรู้สึกว่ามันเจดายอะไรสักอย่างจิตเนี่ย น่าคิดนะแต่อยากให้ลูกดับทุกแต่ลูกจะดับทุกจริง ๆ, ๆก็ไม่เอาอยากให้ลูกเป็นอย่างที่กูคิดเราสร้างมาสร้างลูกสร้างหลานเนี่ยสร้างมาแบบเราคิดนะ่ะเราคิดอยากให้มันเป็นรเราอยากให้มันเป็นเหมือนนั้นแต่เราไม่เคยเห็นว่าการดับทุกเป็นไงเราไม่รู้เรื่องอันนี้อยากให้มันเอาผัวพนะอยากให้มันแต่งงานอยากให้มันมีลกูกมีหลานความคิดไปอย่างนั้นเพราะเขาเคยเห็นแค่นั้นเงเขาไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นเสรดธรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ย ว่าเจ้าบุเคยเห็นติพระพุทธเจ้าพวกนี้ยังถิ่มบักรางหุ่นมาไปบวชเ ด, ด้ทิ้งลางหุ่นไปบวชนะพระพุทธเจ้านะ่ะทิ้งนางพิมพพานะโอ้ยอันนั้นพระพุทธเจ้าอันนี้ขน้อยขน้อยมีลูกสาวผู้เดียวพวะนะลูกตาไปเบาอยังกม็มันมันขึ้นเหลื่อมใสแถบัะนะคนเลยมาถามว่าลูกตาอายุเท่าไหรแลวนะ้วเนาะเมื่อวันกี่้กันอย่างอายุใครวันนยี่สิบเก้า เพท่านเฒ่าเนาะมีาวายโอ้ยเลยยุ่งยากนะยุ่งยากก็ไม่อยากให้ลูกสาวเขามาปฏิบัติธรรมเพราะถามอายุแล้วยี่สิบเก้าปีเขเลยบอกความคิดนะความคิดมันคิดคิดรักคิดหลงรัตนตรัถามว่าพ่อเขายังอยู่พ่อเขาตายแล้วพ่อเขาตายโอ้ไม่น่าโยมถึงห่วงเนาะเพราะอะไรเพราะโยมกลัวไม่มีคนอยู่ด้วย แม่เลยกลัวไม่มีใครอยู่ด้วยกลัวไม่กลัวลูกไม่อยู่ด้วยแต่ลูกอยากปฏิบททัติธรรมเรื่อมใสามากเอ้าจริงเอาจังนะเลยเห็นโอ้ชีวิตเนาะความความเข้าใจชีวิตมันไม่เหมือนกันนะ่ะเด็กตัวเ ล, เล็กๆกับเข้าใจชีวิตมากกว่าพ่อแม่มีลูกสาวผู้จัดการอมสินเนี่ยอยู่พอหกเองมาปฏิบัติธรรมเลยเกิดเข้าใจสมมุติเลยนะ ต่อไปไม่กลัวผีแม่เลยการกินอาหารกินอะไรก็ธรรมชาติน่ะพามันไปเลี้ยงมันไม่ไปเลยโอ้ยแม่กินที่บ้านเราก็ได้ซื้อข้าวผัดข้าวอะไรมากินก็จบแล้วเนี่ยไนมาไปกินร้านนั้นร้านนี้ใช้เงินมันบอกแต่ก่อนน่าไปแต่ต่อมามันไม่ไปมันไม่กินน่ะมันกินธรรมดากินแล้วมีอะไรมันไม่ค่อยมีอะไร่ะกินแล้วก็ขี้ออกก็ไม่มีอะไร เขาเลยว่าอา้าวลูกเขาทําไมพูดอย่างนี้นะแม่แต่งตัวเขาแม่แม่อย่าแต่งตัวมากมันเลยนะแม่รู้ไหมลู ก, มลกแม่ทําให้เกิดสังขารนะเนี่ยนะคือปรุงแต่งมากลูกสอนแม่แม่จะพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้เขาไม่อยากไปเขามันชอบไปหาอามันอามาปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆเขาไปคุยธรรมะธรรมูเอาไปมาเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะไปเยนออกไม่ให้มันคนธรรมะรู้จักมันนะ่ะ ไม่โทปะหามันมันชอบโท่แม่ในแต่งตัวมากเป็นผู้จัดการแต่ว่าอย่างว่าเขาเลยบอกว่าลงตาแม่หนูจะทำบุญกระถินแต่แต่หนูดูแล้วแม่นะทำด้วยความโลภมันว่านะแม่อยากได้หน้าโอโ้เด็กคนนี้มันโตรเร็วจังอนะหกปีเองอนะไอปหกเองนะมาแม่ทำบุญด้วยความโลภ ทำบุญที่บ้านแหละพอมันกลับไปบ้านมันไปคุยไปคุยแม่เลยไม่พอใจแต่พ่อเขาก็เป็นมหานะพ่อเขาก็บวชแต่พ่อไม่ได้ปฏิบททัติธรรมบวชก็บวชในนั้นแหละเลยพอมันมาอีกวันหนึ่งแม่รีบมาเอากลับเลยไม่อยากให้มันปฏิบททัติธรรมไม่อยากให้มันรู้จากตัวเองมเขาบอกว่าลูกเขาเริ่มไม่ปกติขึ้นเรื่อยๆ เวลาพูดอะไรพูดอะไรเนี่ยลูกเขาจะเบรกเอาเบรกเอาอยู่เรื่อยๆดูดิคนสติปัญญามันโตกว่าโตตัวน่ะแต่คนก็ไม่ชอบในนี้ลูกเวลาปฏิบัติธรรมเข้าใจสัจธรรมเนี่ยเขาจะดูพ่อดูแม่ออกว่าพ่อแม่กิเลสตัณหามากน้อยขนาดไหนเนี่ยมันดูออกนะมันเข้าใจการพัฒนาลูกเราพัฒนาด้วยความรักความหงึงความหวงหรือพัฒนาแบบธรรมะด้วยปัญญามันจะดูออกนะ เราเองก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากลับไปเราดูลูกออกเลยดูหลานดูสังคมดูใครก็ดูออกเขาเรียกว่าเจโตวปฏิญาณคือรู้ใจคนอื่นว่าเขาคิดอะไรเจตวปฏิญาณมันคิดอะไรมันอยากอะไรมันอยากรู้อะไรอยากเข้าใจอะไรประมาณนั้นมันอยากเป็นอะไรอยากมีอะไรเนี่ยมันหวังอะไรเนี่ยมันจะดูออกเพราะคนในโครงสร้างทางจิตมันเหมือนเหมือนกันนะ่ะ